ยังมันตั้งคอาน คืออาจารย์เียสอนนักปฏิบัติมาในั่งรักษาสติคือรักษาจิตใจข้งตัวปกติจิตใจนักไข่คิดจิตขอออ้องในอารมณ์อดีตอนาคตมันอยู่ในตัวปัจจุบันคิดไปทางนั้นคิดมาทางนี้ในจิต่งอย่างนั้นการนั่ง ฟังทำก็ดีการนั่งสมาธิภาวนาฝนตัวก็ดีจะมีผลอะไรเกิดขึ้นนอกจใจจะเหนื่อยเหนื่อยหีวนอกจุดจะซึ้งซึ ง, งภายในถนั้นฉะนั้นฉันจึงสอนตอนที่เรานัง่งภาวนาให้คิดเอาว่าการนั่งภาวนาตัดีการนังนรน่งฟังทำก็ดีรอยะโอกาสนี้ ในนี้กิจการงานอะไรจิ่จะไปพามจิตจะไปพูดจิตจะไปคิดทางนอกรักษาจิตของตัวให้อยู่ภายใ น, นมือกาหนดความรู้อยู่ภายในใจของตัวไม่ ต, ต้ตองส่งไปอดีตอนาคตหน่วยเรากําหนดจิตของเราไว้อย่างนั้น ทำคำสอนี like ่อกานแสดงไปมันก็ไหลเข้าไปสู่หูสู่ใจทองเราใจที่รับทำสัมผัสกับธรรมจะมีโอกาสเวลาสงบระงับเรียนได้ถ้าคิดว่าท่านจะอธิบายอะไรสู่เราฟังเราจะจดจำคำสอนของท่านอย่างนั้นดังนี้เพราะคือท่านเข็ดจบลงไป จะไปถามเร่องนั้นเรื่องนี้คิดเอาจิตจดต่อต่อการแสดงภายนอกจิตรวมให้ไม่ได้เอางงอะไรถึงจะจําได้ก็มีความหมายเพราะจิตของเราในเบาในะบายในสงบฉะนั้นเรื่องจิตสงบจิตเรวมรวมไม่รับความปลุกความเย็นเย็นภายในตัวนั้นถึงเราจะจําพําพูดไม่ได้ แต่สัมผัสทำที่ทำฟูดออกไปเกี่ยวข้องกับใจใจเวลาฟังสงบใจเวลความสบายนั้นเป็นอันยิสงในการประปฏิบัติเห็นชัดในการฟังการทำของตัวจะเชื่อมั่ในการปรฏิบัติหนักแน่นถอยในอย่างนั้นฟังเทไรอ่านเทไรใจในสงบในรวมให้ กวา ม, มีผล ม, ม, ม, ม, ม, มีประโยชน์อะไรปัญญาทางาพระพุทธศาสนาเนื้อทีว่าการจำได้หม่รู้ภายนอกเป็นปัญญาหลักิลิคือการ่องโยงของจิตดับความคิดจริงต่างๆสัญญาอารมณ์จี่เคยเกี่ยวข้องกับจิตใจดับไปใจได้รับสัมผัดจากอัตธรรมภายใน คือความสุขความเย็นของใจปล่อยวางสัญญาอารมณ์ได้นั่นแหละอนนี้สูงเกิดไปจากในตนเป็นปัญญาขั้นต้นที่จะเชื่อมั่นอย่าจิดเรานั้นถ้าหากเกี่ยวข้องกับสัญญาอารมณ์แล้วมันมีความปลุคกค ว, วความสบายความหยักเย็นความผ่องใสอย่างนี้ยืนดีที่อยากจะประพฤตปฏิบัต ไม่เห็นชัดเป็นจริงอย่างนั้นถ้าหากไม่เห็นอันนี้สงอะไรการตั้งขวดดีการทำขกดดีความเชื่อในใจจะไม่เกิดมีขึ้นเกิดสงสัยลังเลว่าเราอํานาจศาสนาไหนมีทำความดีหน้าไม่เกิดไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้เกิดสงสัยอยู่ดื้อไปถ้าหากเรเราเห็นเราเป็นในตัวของเราไม่เป็นอย่างนั้นใครจะว่าอะไรทั่วไป นักคนมีทานสมัยนี้ไม่มีใครรู้ใครเห็นใครเป็นอยากจะคิดปฏิบัติขนานไหนก็อนไม่มีใครที่จะเหาะเหินเดินฟ้าเหมือนสมัยก่อนมันไม่มีการฝันใฝ่เพราะเหตุใดเาใจของเราสงบใจของเราได้ส kay kay ing, ัมผัสจากัดธรรมที่เราจะคิดปฏิบัติการดำดินดินบนเหาะเหินเดินฟ้าใน่เป็นเรื่องสําคัญอะไร สำหรับใจที่ติเห็นผำเพราะเหตุใดเพราะแรงบางอย่างมันก็ดำบินได้บินได้แต่คงมีความหมายเพราะกิเลสตัญหายังมีในใจให้ทุกข์เรื่อยไปใจที่มีกิเลสตัญหาก็อวยงตัวเองเลยรับความทุกข์ความลำบากใจที่หมดกิเลสตัญหาถึงจะดำบินยินบนไม่ได้คงมีคุณค่า เพราะใจนั้นสบงบแล้วนับดับความดยากภายในมีการปฏิบัติอาธรรมของพระพุทธเจ้าปฏิบัติพกดผลในราบในใจใจในตนของตนในต้องไปหลงไหลวาทะของคนอื่นการพูดธรรมะูที่ศึกษาการตำลับตำลาเขาก็พูดได้การพูดของขพระที่สื่อสารใเมี คือนนักเทรดก็ดีเมือนใจนักเทรดก็ดีก็พูดพอพูดต้ปัญหาเราเองก็พอพูดได้แต่คนพูดเก่งอย่างโกศในสถานที่ต่างๆเขาพูดเก่งแต่ที่เหลือปัญหาภายในทของเขาอย่งนี้เขาก็ไมรักคุณงามความดีความสงบความศุกอะไรแต่พูดไปแต่ตงแตากพูดแบบนั้นมันไม่มีอะไรมีด้วิเศษให้เพราใจของเขาไม่เห็น ไม่เป็นหนิวดังนั้นการไปพึดปฏิบัติน้อมเข้ามาภายในดูกายดูใจของตัวระยะที่เราภาวนาตัวดีฟังธรรมะจากคืออาจารย์ก็ดีเราไม่ดึกเดทดทำชั่วทาเสียอะไรตายของเรานี่ไม่เด็ไปฆ่าสัต์ตัดชีวิต ไ, ไม่เด็ดลักขโมยของใครไม่เด็ปไป พ, พูดผิดหนอกลีหนอกทางอะไร ลายจาของเราก็เหมือนกันไม่ได้พูดคุยอะไรว่าจะผิดผิวผิดธรรมในเชื่อว่าผีวของเราบริ Food, สุทธิ์ในปัจจุบันนั้นอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าเราเคยทําอย่างนั้นเคยพูดอย่างนี้ไม่มีในงานจิตจะไมสงบให้ในดีปัจจุบันระยะนั้นเราไม่ได้ทำไม่ได้พูดสิ่งที่ชั่วเคียดผิดจากศีล มี่คือการตรวจตาที่เจอมาตัวในปัจจุบันเชื่อมั่นว่าท่านคำสอนของขพู้ใจจ้างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติจริงจังเห็นเต็นได้ในอย่างนั้นศาสนายังคงไม่เจริญมาตลอดทุกวันนี้เพราะไม่มีกฎหมาย บ, าาบับงคับบัญชาไม่มี ใครให้รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติศาสนาถึงยนืยนยงคงวามมาได้อาศัยผู้ประพติปฏิบัติรู้เห็นเป็นจริงจากการประปฏิบัติของท่านจึงมีผู้ศรัทธาปฏิบัติมาเรด้วยเพราะศาสนาเป็นของจริงไม่ใช่ของเล่น ท, ท่นพูดไปทุกสิ่งเทุงอย่าง ่ำสอนมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขอ้อพิมพ์ทงนั้นไม่มีอะไรที่จะไม่จริงถึงสมัยปัจจุบันคนทุกวันในเรื่องสศาสนาเะว่าศาสนาไร้คุณค่าศาสนาคืบล่ า, าสมัยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ไหประเพื่ปฏิบัติตามอัตธรรมตามสีของอุปใ จ, จ่า น, นกฎหมายยังบังคับบัญชา คนข่าคนตีคนรักคนขโมยไม่มีใครนิยมชมชอบคนทผริตต่างๆคนไม่ซื่อสัตว์ไม่มีความจริงใ น, นในตัวแล้วตัวของตัวเองเห็นคนอื่นเขาทำอย่างนั้นจะยังไม่ชอบใจเหตุนั้นศาสตศาสนาจึงไม่ล่าสมายัยผู้บุกเพิปฏิบัติตามอัตธรรมคำสอนของผูใ้ใเจ้า จึงเป็นคนทันสมัยเป็นคนดีเป็นผู้นิยมชนชอบของโลกถ้าหากเราที่ไม่ได้เจองานตามธรรมะของผู้ใจจ่ายแล้วธรรมะจึงเป็นของถู่ควรแก่บุคคลทั่วไปโลกยุ่นวายเดือดร้อนอยู่สมัยนี้ไม่ใช่แบบคนมีธรรมะเกอะกวนให้โลกวุ่นวายคน หาธรรมะนี ha, ้ได้ท th th ี th th ่ก th th ่อกวนโลกให้ว kh ุ่นวายเดือดร้อนเพราะเขาต่อพื้นไปในทางสิผิดธรรมะเขาพูดไปในทางสิผิดธรรมะเขาคิดไปในทางสิผิดธรรมะตัวของเขาเองก็ลัวรับความสงบสุขเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกันเมื่อเขาวุ่นวายเดือดร้อนก็ไปก่อขวนคนอื่นเหี้เดือดร้อนวุ่นวายเรื่อยไปธรรมะสอนคนให้เข้าถึงความจริงความสงบ คือปฏิบัติปฏิบัติตามธรรมะไม่ว่าสมัยพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบันคนนั้นมีความสงบสุขถึงโลกก็ในเลื่อนใส่เต็มใจกับท่านแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวเอียงๆไปตามเรื่องของคนที่นิยมชมชอบหรือตำหมนิมินทาเพราะจิตของท่านตั้งนั่นหลักของศาสนาส่วนใหญ่ สี่สวนเราท่านควรศึกษาท่านเรียกว่าใจศีกาขาก็คือศีลสมาธิธรรญยาหลักทั้งสามนี้เป็นหลักของศ า, าสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนเดืต้นให้คนประพุทธปฏิบัติก็คือศีลอาทิตกัลยาณ์นางงานในเรื่ต้นคือศีลคนที่มีศีลงามอย่างไรงามทางตายทของเขาทางวัยชาของเขางาม ใจของเขากรงงามถึงร kh kh th ่างกายจะไม่เสืยตนงดงามเหมือนตนอื่นเขาแต่คนที่มีศีลจะดับเครือของเขาแล้วงามไปอยู่กับถานที่ใดตัวนี้เชื่อใจจะบวชเป็นพระที่สื่อสารมาเนืคืออาจารย์ก็รักใข้เถี่ยถึงก่ยินดีเต็มใจเป็นขาระชการเนเ้นกัน หากมีศีลประจําตัวแล้วไม่ระพูดชั่วเสี้ยต่างๆคนทั่วไปชอบยินดีเต็มใจเลื่อนใส่นี่คือศีลเป็นของศีลในลาสมัยนันสมัยไม่เป็นไปตามลนปากของเขา่คนเขาวัดเขาวาถือศีลเทวน า, าคุล่าสมัยอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นลาภของคน สมัยปัจจุบันเีื่เแนวคิดให้ใจอัดทามจริงจังเขาปูกกันไปแต่ความจริงแล้วสิ้นทคมคำสอนของอาพุทธเจ้ายังงานสมัยคนทิ่จะพุธไปกันสิ้นตามธรรมนั้นยังมีความฝุกกายฝุกใจคนอื่นก็เหลื่อมใส่ศรัทธานอกจากคนบ้าคนบอเท่นั้น คือเขาไม่เตใจอยาการประพูดอย่างนั้นไม่ดีไม่ชอบอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งๆที่เขาเองเมื่อคนอื่นไปทํากับเขาในทางชั่วทางเสียเขาก็ไม่ชอบใจแต่เขาไม่ยินดีที่จะปฏิบัติตัวของเขาเมื่อเขาปฏิบัติเขาไม่เห็นชัดนบบเห็นธรรมเป็นของจำเปนแก่เขาเขาก็ มมนมีคุณค่าอะไรให้คนที่มีศีลในตัวทาชั่วเสมอไปอยู่สถานที่ใดเลือดร้อนวื่นวายไมมีใครที่จะต้องการปรารถนานี่คือศีลเบืงต้นที่พระพุทธเจ้าสอนให้คนประพิปฏิบัติรักษาสมาธิความหนักแน่นของใจก็เหมือนกันเป็นเรื่องสำคัญที่จะควรศึกษา ควรปฏิบัติเพราะจิตใจของคนนั้นคาหาไม่หนักแน่นมีสมาธิแล้วจะทําอะไรก็ไม่สำเร็จเป็นผลเป็นประโยชน์ให้คนนั้นจะเป็นคนชี่ยวคนเสียงานนอกกว่าไม่ดีงานมนก็ไม่ดีจะทําอะไรไม่สำเร็จเป็นคนใจจักเป็นคนหาสาระ แก่สารไม่ได้นี่เจอจิตในตั้งมั่นในเอาจริงให้หวันไหวไม่อารมณ์ทันยาอยู่ที่เจรนาถึงเหตุผลจี่ควรจะอดจะทนจะผ่าจะเพี้ยนต่อไปอะไรมาก่อควาจิตใจก็หวันไหวเผื่อเทินไปตามเรื่องแบบนั้นคนที่ ม, ม่มีจิตตั้งมั่นจึงเป็น คนที่ไม่ปรารถนาะใไปัจจนบันเรืออนาคตต่อไปทางห น, างน้าก็เหมือนกันคนทั่วไปตันนี่พอรักเพรชอบเ ข, าข้าก่อนไม่ได้ยับยั้งสั่งตึงอะไรนี่จะจะวิ่งไปวิือติดตามเรื่องความรักพอไปนิดนิดหน่อยๆเกิด ค, ความเดียอหน่ายขึข้นก่หยุดกอถอยทอดทิ้งปล่อยวาง ไม่ว่าฝ่ายไหนเป็นอย่างนั้นฝ่ายการงานเน้นการฝ่ายคืรักเน้นการคนอย่างนั้นใครต่างพนากันแล่วจิตถึงจะเป็นสมาธิได้ต้องพาออาศัยการฝึกการอบรมพิจารณาเหตุผลคนที่มีจิตเป็นสมาธิหนักแน่นในเหตุในผลนั้น เป็นผิดศาสนาของชาวโลกทั่วไปในเลาต่างตัวม น, น, นุษย์กับวกรมนอ้นกันถาสัตว์มีจิตใจในต่างางานบอกวอย่างนั้นจะเป็นสัตว์ที่เราเรยงาาังใช้ต่างงานพวกมันถ้ามันไม่พอใจมันกอยูงนี้ไปถ้ามันพอใจมันก็นยอ ม, ใ, มหให้เราช้สัตวตัวนั้นเงานเพื่อจะเอาไปฆ่าเพราะว่า มันจิตมันบอก ไ, ได้คอนแฟร์นเนอร์เอาถ่านอะไรให้แต่ศาสตร์ล้วก็ยังไม่ตัดธนาตัวขงองเราเองจะตล่อยเหตุธรรมะผ่านไปในฝึกจิตใจของเราต้องควรเลยหรือการฝึกจิตใจที่จะให้เป็นสมาธิเป็นเรื่องจํา เ, เป็นเรื่องจำจิตของเราเค ย, เคยผ่านเคยคิดอ่านฝึกเป็นต่างๆนั้นเราจะต้องอาศัย สติรักษาปัญญาเนี่ยสอนตัวของตัวอย่าการคิดตึงไปนั้นเราเคยคิดตึงมาไม่ เ, เคยรักษาในความสงบสงดัดด้านจิตใจเป็นอย่างไรเราก็ทราบดีว่าจิตใจของเรายังไม่มีพื้นฐานความสงบสงดัดเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยใจ ต, ตามอํนนานาจของมันผักดันแล้ว เราจะมีความสุขความส บ, บายได้ไหมเราตัวคอยจะตัดสินใจของตัวเองว่ะถ้าหากปล่อยไปตามเรื่องกิเลสปัญหาที่ผักนั้นอยากคิดอะไรก็คิดไปอยากคิดอะไรก็คิงไปก็ ไ, ปก ไ, ปไม่มีวันมีเวลาจะสงบให้ไม่มีอะไรที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตัวฉะนั้นเมื่อเราทราบเราตามปล่อยตามอำนาจกิเลสปัญหาตามสัญญาลมนั้น มันในทางจะส่งให้เราก็ติดพึงผูกใจของตัวเองตอนนี้นไปเราจะเป็นเหตุใจซึ่งกินไปในที่อื่นจะพักผ่อนจิตใจให้สงบเราจะกําหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้จิตใจอยู่ในลมหายใจออกก็เหัวทราบทุกระยะเข้าออ ก, ก่อหัวทราบทุกเวลา จ, จมจิตสงบลมละเอียดขาดไปเราก็ห้ทราบเพราะสติเรามีในฝันหลับการภาวนาคือการมีสติลมอยากขนาดไหนใจก็จยากขนาดนั้นเวีนาวนรงก้าลมอ่อนเข้าไปลมละเอียดเข้าไปเรีนาก็ละเอียดเข้าไปดับลมไมมีล ม, มแล้วความรู้ความหมายมันหายไป ผู้ฝึกจิตใจจะต้องทราบพอมันเห็นมันเป็นจากตัวของเราเองเลมไม่อยากเพรกินละเอียดบางท่านบางคนเกิดสงสัสยสิ่งนี้ไม่ใช่เราตายแล้วหรือลมของเราถึงหน ม, มีอย่างนี้อาจจะเกิดสงสัยขึ้ น, นเคยมีคืออาจารย์เคยเล่าว่าเราตายแล้วมนะลมของเราถึงไหนออกไม่เท่าไม่มีลมหายใจกว่าคนตายแถวนั้น เมื่อเกิดสงสัยสิ่นก็ใครเล่าจิตไปหมายว่าลมหายใจมันขาดใจถ้าตายทําไมคิตได้ทำไมรู้ทํำไมสนใจอย่างนี้ยิงทราบบ่าตัวเองนั่นจิตมันลงมันรวมจิตมันละเอียดลมมันละเอียดเข้าไปพอลมหายใจละเอียดสุดจนหมดออกตามขุ้นขนได้ มีลมหาใจหยาบๆอย่างคนธรรมดานั่นคือจินละเอียดจึตแบบนั้นพระอริยเจ้าเถื่วไปฉันเคยศึกเคยเห็นเคยเจนเคยรู้กินมันหยาดเอาไว้ต่พระเข้านิโรธสมาบัติมีริรลมหายใจแต่ความจรินนิโรธสมาบัติมีกำหนดเวลายาวนานเจ็ดวันเจ็ดคืนถึงเรียกว่านิโรธสมาบัติแต่ผู้ฝึกขัดการปฏิบัติทางใจ จะต้องประสบพบเห็นในการใดต่อสมัยหนึ่งจิตจะต้อตงเต็นอย่างนั้นจะเข้าใจอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เข้าถึงเจ็ดด้านเจดคืนอย่างท่านเหนอเกียยว่านิโรธสมาบัติจะต้องเห็นต้องเป็นลมละ เ, ล เ, ลเอียดลมหายใจไม่มีทางจมูกหนึ่งมีด้าในการปฏิบัตินี่คือการกําหนดลมจะเห็นผลเพราะจิตของตนไป แต่สายไปตามต้นยาอารมณ์กำหนดลมให้อยู่ในลมให้จิตอยู่ในลมในจิตพรุ่งไปสู่อันไหนก็เป็นทางที่จะทําจิตใจให้สงบได้หรือเราอยากจะบริกรรมความตายก็บริกรรมอยู่นั้นลมออกก่อตายลมเข้าก่อตายกําหนดในจิตไปกังวลหม่นวายกับ สัญญาอารมณ์ อ, อื่นให้จิตสัมผัสอยู่กับตายจิตก็สงบได้กจะสงบพุทธโธธรรมโมสังโฆก็สงบได้แล้วจะอุบายปัญญาของใครชอบชนิดไหนเพราะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามีมากเ น, ะน้นอาหารในร้านตลาดใหญ่เราชอบอะไรก็ไปทานอันนั้นมันก็อินน่มหนำสำรานได้ในต้องไปทานอาหารทั่วไป ถ้ามีขายเท่าไรก็จะซื้ออาทานหมดไม่อย่างนั้นคำสอนของพุ 8, ทธเจ้าเปบนหมืน่นสี่พันถ้ามขันกันเหมือนกันใอตไปเรียนรู้ให้ทถึงรู้เพียงอันเดียวเท่านั้นก็เกิดผลเกิดประโยชน์แก่ตนคงตนได้ยิบเมื่อเป็นสมาธินักเน่นในวันไหวไปตามสัญยารมต่างๆได้เราก็มีกาลังทางใจ ที่จะพิจารณาอะไรให้แยกหายตามเป็นจริงได้เหมือ น, นเราหยุดนิ่งดูอะไรผ่านมาเรารู้เราเข้าใจถ้าเราวิ่งอยู่ตลอดเวลายิ่งขึ้นรถเร็วๆนะส่วนน้อยที่ผ่านตาในหน้าวัดต้นอะไรพอมันไปเลยจิตของเราจะทำงานงเดียวกันถ้าวิ่งอยู่ทุกวันทุกเวลาจะไม่ทราวบว่าอะไรเป็นอะไรกันนี่ มีเราเมื่อเคยฝึกจิตรวมใจให้เป็นสมาธิเพื่อสงบเยือเรีนได้ถึงจะมีอุบายปัญญาทางโลกขนาดไหนที่เหลือกัหัวล้อยเยาะอยู่ตลอดเวลาเมื่เคยทําที่เหลือปัญหาในใจให้คลายออกไปให้จบออกไปให้เบาบางมากปัญญาจะมีขนาดไหนก็เป็นผลเป็นประโยชน์ได้เป็นได้แต่ทางโลกเท่านั้นทางธรรมเป็นไม่ได้เพื่อจิตไม่สงบไม่สบาย หากจิตสงบสบายถึงจะไม่ได้ประกาศเมียบัตปัญญปิญญาอะไรก็ตามท่านก็สงบท่านก็สมายท่านก็สุขของท่านนี่คือการเห็นผลจากการปฏิบัติของตนเป็นปัญญาสามารถที่จะระงับดับจิตที่เจ็ดดึงต่างๆให้เข้าสู่ความสงบได้รู้เห็นจริงต่างๆตามเป็นจริงได้เพราะจิตหยุดพัก ที่นีที่เจอมาอะไรเข้าใจตามเป็นจริงความจริงนั้นจิตของเราเหลงไหลไฝ่ฝันไม่ใช่จริงเหล่านั้นมันหลงตามเราหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นไป ต, ตามหน้าที่ของเขาแต่เราไปหลงมันเลยเกิดทุกเกิดโทษใ น, นสิ่งเหล่า น, นั้นถ้าหากจิตของเรานิ่งเป็นสมาธิมีกําลังพอที่จะพิจารณาจริงต่างๆนั้น ให้ใจมันไม่มีอะไรปิดบังโลกอันนี้ในว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายในแบบชีวิตปัญหาหน้าที่คืออะไรมันเกิดขึ้นจากใจทางนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เคยมาเยียวยุให้จิตของเราชื่วเสียแต่จิตของเราหลงจิตของเราเองไปสำคัญมากไหมอย่างนั้นดีกว่าชอบใจอย่างนี้ดีกว่า เยอะใจและผลที่ชอบและที่เสียเป็นทุกข์หรืเป็นสุขเราไม่ทราบสาเหตุของมันจึงรักษายากจิตนี้เป็นขอรักษายากเพราะมันเป็นนามธรรมละเอียดแต่สติปัญญาตกเป็นนามธรรมละเอียดเหมือนกันสามารถที่จะทันกันเห็นกันทุกท่านแม้ปฏิเสธว่าตัวมีจิตแต่ไม่เคยเห็นจิตจึงรักษาจิตไม่ได้ จิตเป็นอย่างไรเนี่ยเคยเห็นที่ไหนเคยเห็นก็คือไหนเคยฝึกเคย อ, อร่รวมตัวจิตมันยากนีแต่สิ่งอื่นปกคลุมหุ่นห่อเอาไว้เหมืองกันกับพระพิฆาตจันแสงที่มันมีอยู่ตลอดเวลาถ้าหากไหนมีอะไรไปปิดบังมันถ้าหากมีสิ่งาาที่ปิดบงังมันก็มีอยู่เมืม่เห็นถึงแสงมันมีอยู่มันก็ส่องมาในได้ปัญญาภายใน จิตใจของเราก็ทํานองเดียวกันฉะนั้นท่านจึงสอนให้กาจัดอารมณ์ทั้งยาพิธิมานาต่างๆให้เบาบางออกไปจนหมดขาดจิตจะใสสะอาดจิตจะเห็นจะรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างไปการที่นิจเจอมาทำร้าใจของตัวเองนั้นถ้าหามีสมาธิแล้วก็ไม่อยากลำบากอะไรมันจะ ทำผัดกับใจตัวเองพิจารณาอะไรเข้าใจในสิ่งอย่างนั้นอะไรที่มันสงสัยกับที่จรนาไปอีกเป็นการถอดถอนแก้ไขใจผิด้องผิด ต, ต่างๆให้หมดไปเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งอย่างนั้นตามเป็นจริงของมันในเหลงไหลใฝ่ฝันม้วนกอนเราเองทราบว่าจะก่อนเราเห็นเราได้ยินเป็นอย่างไร เมื่อเราฝึกจิตฝึกใจของเรารู้เห็นตามเป็นจริงแล้วสิว่งเหล่านั้นมันขาดตกบกพร่องหรือไม่ในโลกมันเคยมีอยู่อย่างไรมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราทำไมในใฝฝันในหลวงไหลมันก่อดเพราะเราพิจารณาของเราถอดถึงเข้าใจชัดเจนในสิ่งเหลนั้นพิจารณาเรียงกายเรียงใจทั้งตัวแ่านั้นมันก็ดถอดถึถงไปหมดอดีตอนาคต ที่ผ่านมาหรือยังไม่ถึงเพราะปัจจุบันมันเป็นอย่างนั้นอดีตที่ผ่านมามันก็เหมือนกันเช่นเกิดแก่เจ็บตายมันเหมือนกันไม่มีอะไรที่จะสงสัยถ้าจะพิจารณาตามสมมุติทางโลกหนึ่งแก่มันจะมีอยู่ตรงไหนจะไรมาเมื่อสว่างมันก็คองเก่าไม่มีอะไรที่ผิดแปลกแตกต่างกันแต่ความสงสัยสิ่งนั้นสิงนี้ เพาะจิดขงเราสงสัยจิตของเราไม่เข้าใจตามเป็นจริงไม่เกิดปัญญาให้เลยไมหายสงสัยถ้าเกิดปัญญาภายในใจแล้วอะไรมันจะสงสัยอะไรมันจะมาปิดบังได้ปัญญาเป็นแสงสว่างยิ่งกว่าพระจิตพระจันทร์เสอีกแต่เมื่อนี้ปิดบังขนาดไหนปัญญาสองถึงเข้าใจตามเป็นจริงนี่คือปัญญาที่เกิดขึ้น จากการคิดยึดพิจนาเกิดขึ้นจากสมาธิของใจเมื่อมีสมาธิภายในพิจารนาอะไรยิ่ตกออกได้หลุดออกได้เป็นปัญญาในเสถีเป็นสัญญาเหมือนที่เราจํามาเข้าใจประจักษ์ในการเห็นการเป็นของตัวถึงโลกมันจะ มันมีอย่างไรที่เราเคยลืมหลงเราก็ทราบว่าโลกนั้นเราลืมหลงจะเก่าก่อนเพราะจิตของเราไม่เห็นไม่เป็นอย่างนี้ไม่มีปัญญาที่ในวิเราเข้าใจไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันตกมันหมดออกไปสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีแต่เพ่าะปัญญาเราครอบครอบัูกถึงในสิ่งต่างๆจึงไม่หลงไหลใฝ่ฝันคล้องติดเิื่อริงในสิ่งเหล่านั้น เมื่อมันใจงกมันรู้ทั่วไม่มีอะไรไมาหยุดยุ่จิตใจให้ใฝฝันเอียงยงไปตามเรื่องต่างๆจิตก็ตั้งมัง่นจิตก็ไม่วั่นไว้จิตก็สบายจะเกิดจะตายก็ไม่มีการหวั่นไหวเพราะเราพิจารณาทั่เมามาวเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติเกิดขึ้นก็นี้ดับไปก็ดดีสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับผู้มารู้เรื่องเกิดเรื่องดับคืออะไรเราท้า ความรู galaxies, user, through, that that that az, teachers, í, ้ต้องรู like Hi, ้ความรู้อีกในเฉลยรู้เพียงที่เรารู้ผีวเผินมานี้เป็นปัญญาปัญญาที่พระพุทธเจ้าของเราสอนคือความรู้จิ่งเหนือความรู้ของเราที่มีอยู่นี้อีกขั้นหนึ่งจะรู้มารู้ผู้รู้อีกหนึ่งจะรู้มารู้ผู้รู้อีกจริรู้ว่าอันนี้เป็นสมมติอันนั่นเป็นยีมุตซึ่งไม่มีอะไรที่จะมา ก่อเกลื่อนสิ่งเหล่านั้นให้เชื่อให้เสียไปอีกได้เนื่องจความเข้าใจความเห็นจริงในการประพฤตปฏิบัติทุกคนมีสิทธิที่จะประพฤติปฏิบัติให้รู้อัดเห็นธรรมได้เพราะเราเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าเอื้องจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นสัตว์เราผิดแปลกแตกต่างอะไรกันกับท่านยิ่งแต่มา หมาตัวเองว่าหมดอำนาจศาสนา